นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะ พัควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะอายุทายีภะทธายีสุขังวัณังทัทโทนโรที่ขายุยสวาโหติยัตทะยัตถุปปัจจตี ติอี น, นับนีอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในทานวรกถาพนานาถึงการเสียสระการให้ที่ชื่อว่า เป็นการให้สิ่งที่ประเสริฐเพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดและเพื่อเป็นการชื่นชมอนุโมทนายินดีในโอกาสที่ผองพุทธบริษัทญาติโยมชาววัดปริยรวงสาวาททุ ก, ท, กทุกท่าน ที่ได้มีศรัทธาปาษาธาเสียสละโอกาสและเวลามาบำเพ็ญกิจของอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นาศาสนาญาติท่านทั้งหลายได้มีวิริยะอุตสาหะหรือมีความเพียรเป็นพิเศษ ในการเพิ่มเติมบุญกุศลหรือบุญบารมีให้บังเกิดมีแก่ตนแก่ตนเป็นลำดับเรื่อยมาข้อนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าท่านทหลายได้บำเพ็ญวิริยะบารมี หรือความเพียรพิเศษสี่ประการอันความเพียรพิเศษสี่ประการนั้นหนึ่งปหานปทานแปลว่าเพียรละหรือเพียรกำจัดบาปอากุศลที่เกิดขึ้นในจิตของตนให้หมดสิ้นไป ประการที่สองสังวรประธานเมื่อกำจัดบาปอากุศลให้หมดสิ้นไปแล้วก็ระมัดระวังเม่ให้บาปอากุศล น, นั้นเกิดขึ้นมาใหม่ประการที่สามภาวนาประธานได้แก่การเพิ่มเสริม บนบารมีความดีของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและสุดท้ายอนุรักษณาประทานการที่ติดตามรักษาความดีที่ตนได้บำเพ็ญไว้ในอดีตให้คงอยู่เพราะฉะนั้น ความเพียรทั้งสี่ประการนี้ชื่อว่าเป็นความเพียรใหญ่ที่ท่านทั้งหลายได้บาเพ็ญให้เป็นไปและจะเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานการพน้นทุกข์ในภายภาคหน้าอันหนึ่งพระธรรมเทศนาทานวรกถฐา การให้พรหรือให้สิ่งพิเศษนี้ท่านอนาถปิณิกะเครหับบดีซึ่งเป็นมหาอุบาสกผู้ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาได้เข้าเฝ้าทูลถามปัญหากับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลทำอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าได้ให้พลหรือให้สิ่งที่ประเสริฐแก่ตนและบุคคลรอบข้าง <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวิสัชนาไว้ว่าโภชนังกหปฏิททะมาโนโอรเรสาวโกปฏิคาหากานังจัดตาริฐานานิเทติ แปลความว่าดูกระดูกะท่านกฤริหะ บ, บดีอริยสาวกเมื่อให้ทานโภชนะคือของกินก็ดีเครื่องใช้ไม้สอยก็ดีชื่อว่าให้ฐานะสีแก่ปฏิขาหกคำว่าปฏิขาหกแปลว่าผู้รับซึ่งหมายถึง พระอริยสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนาถามว่ากตามานิจัตาริฐานะสี่ประการนั้นเป็นไฉไองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงวิสัชนาว่าอายุเทติหนึ่งให้อายุวันนางเทติสองให้วันนะ สุขขังเทติสามให้ความสุขพลังเทติให้กำลังนี้เป็นประการที่สี่ถามว่าให้อะไรเป็นทานจึงจะได้ชื่อว่าให้กำลังวิสัชนาว่าอ น, นโทพระโทโหติ ให้อาหารเช่นข้าวน้ำชื่อว่าได้ให้กำลังให้อะไรชื่อว่าให้ผิวพันว น, นะวัฏโทธโหติวันโทให้เครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าอภร์ชื่อว่าให้ผิวพันว น, นะให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขหรือให้ทุกทุกอย่าง ญาณโทสุขโทโหติก oh <oti> ารให้ยาณพาหนะให้ความสะดวกในการเดินทางโสจะสัพพะโทโหติโยธาติอุปัจยังอีกประการหนึ่งผู้ให้ที่พักพิงที่อยู่อาศัยเชื่อว่าให้สุขทุกทุกประการ ให้อะไรชื่อว่าให้อายุอโรขยะมิเฉปรมันจะลาพังผู้ที่ปรารถนาลาบอันยอดเยี่ยมคือความไม่มีโรคภยคัยไข้เจ็บความเป็นผู้มีอายุยิ่งยืนนานพึงให้ยารักษาโรคเป็นทานเพราะนั้นท่านทลาย สิ่งที่ชาวพุทธนิยมทําบุญนิยมให้ทานเป็นประจำและให้กันมากก็เป็นไปตามดังที่ได้กล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ให้ข้าวให้น้ำเพราะชื่อว่าให้กำลังให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารทิติการสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้ประการที่สองให้เสื้อผ้าอภรณ์เช่นการถวายผ้าตราจีวรแก่พระเจ้าประสงค์ให้เสื้อผ้าให้เครื่องประดับ สำหรับกายแก่ผู้ที่ขาดเครนชื่อว่าให้ผิวพันธุ์วันณนะให้เกิดความอบอุ่นคลายความหนาวร้อนผิวพันธุ์วันณะก็จะผุดผ่องใสให้ยานพาหนะหรือให้เสนนาสนะให้ที่พักพิงอาศัยชื่อว่าให้ความสะดวกสบาย และชื่อว่าให้ความสุขทุกๆประการนึกดูว่าบุคคลผู้ไปไหนมาไหนไม่ได้หรือไปไหนมาไหนไม่สะดวกซ้ำไรที่อยู่อาศัยชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไรประการต่อมาให้หยู่ยารักษาโรคเช่นเป็นเจ้าภาพรักษาไข้ ภิกษุสมมเนนที่อาพาธรักษาคนแก่ชราคนอนาถาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ชื่อว่าให้อายุวัฒนาสถาพรให้ความไม่มีโรคไม่มีภัยแก่ตนองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาษษษสดาได้ตรัสเอาไว้ว่า อารคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสรดดังดีท่านทหลายสิ่งที่ใครๆหรืออะไรๆก็เปรียบไม่ได้สี่ประการคือหนึ่งนัตถิวิชาสมังมิตตัง ไม่มีมิตรใดจะเปรียบด้วยวิทยาความรู้นัตถิพยาทิสมริปุไม่มีค่าศึกใดจะเทียมด้วยโรคาพยาธินัตถิอตตสมังเปมังไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับรักตนนัตถิกรรมะสมังพรัง ไม่มีแรงกรรมใดๆหรือไม่มีแรงใดๆจะเสมอด้วยแรงกรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าอากุศลกรรมคือความไม่ดีความไม่งามทั้งหลายทั้งปวงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้กระทาไว้ บางอย่างให้ผลเร็วมากให้ผลในปัจจุบันชาติเห็นผลทันตาที่เรียกว่ากรรมติดจรวดหรือกรรมติดต่อปิโดแต่ว่ากรรมบางอย่างให้ผลในภายภาคหน้าคือไม่ให้ในเร็ววันแต่อีกหลายปีหลายเดือนบางทีก็ข้ามพบข้ามชาติ แต่ขึ้นชื่อว่าอากุศลกรรมทุกอย่างแล้วอกตังทุกอตังสายโยไม่ทำเสียเลยดีกว่าท่านจึงบอกว่ารักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะหมองมัวหม่นไม่ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัย อันหนึ่งบุคคลที่พึงเว้นอกุศลแล้วหันมาประกอบสิ่งอันเป็นกุศลให้มากบุคคลที่พึงเว้นอกุศลแล้วหันมาประกอบสิ่งอันเป็นกุศลให้มากชื่อว่าเป็นผู้ได้พัฒนาชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ในกุศลกรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอกุศลเป็นกรรมชั่วส่วนกุศลเป็นกรรมดีผู้ที่ประกอบกรรมเช่นใดย่ำได้รับผลเช่นนั้นต้องด้วยพระบาลีที่ว่ายาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละปะเตพลัง กัลยาณการีกัลยาณังปาปาการีจะปาปากังเปรความว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่ำได้รับผลเช่นนั้นบุคคลพู้ทำกรรมดีย่มได้รับผลดีบุคคลทํากรรมชั่วย่อำได้รับผลชั่วบุคคลจัดประกอบสิ่งใดไว้เป็นเครื่องบ่งบอก ถึงที่หมายปลายทางของชีวิตในภายภาคหน้าอันที่หมายปลายทางของชีวิตนั้นแท้จริงก็มีเพียงสองที่เท่านั้นคือที่ที่หนึ่งได้แก่ที่ชั่วที่ที่สองได้แก่ที่ชอบที่ชั่วกับที่ชอบที่ชั่วท่านเรียกว่าทุกขติ นิระยะหรือนรกไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนทุกทรมานไม่มีความสบายส่วนที่ชอบได้แก่ที่ดีเรียกว่าสุคติไปแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายที่เรียกว่าสวรรค์ข้อนี้องค์สมเด็จพระจอมทานบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่า นาหิธรรมโมอธรรมโมจะอุโพสมวิปากิโนอธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติงสภาพสองอย่างคือบาปกับบุญคนกับโทษหรือดีกับชั่วสองอย่างนี้ให้ผลหาเสมอเหมือนกันไม่ บาปตามไปเหยียบย่ำซ้ำเติมทำให้ได้รับทุกทรมานบุญตามไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าเพราะฉะนั้นที่ชั่วกับที่ชอบจึงหมายถึงสถานีปลายทางของชีวิตแต่บุคคลจะไปที่ชั่วหรือไปที่ชอบ ก็อยู่ที่การประกอบเหตุส่วนที่หมายปลายทางนั้นเป็นส่วนผลที่ชั่วนั้นได้ในพระบาลีที่ว่าอธรรมโมนิระยังเนติส่วนที่ชอบได้ในพระบาลีที่ว่าธรรมโมปาเปติสุขติงท่านทั้งหลายบางท่านบางคนถึงจะรู้ว่า ชั่วไม่ดีแต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังมีคนฝ่าฝืนกระทาอยู่เข้าลักษณะที่ว่าดีชั่วนั้นรู้หมดแต่ว่ามันอดไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้คืออดใจที่จะไม่กระทาไม่ได้เพราะนั้นท่านทลายอากุศลกรรมแม้ทาในที่ลับ ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่านัตติโลเกระโหนามะปาปรกรรมมังปกุปปโตชื่อว่าความลับในโลกนี้ย่อมไม่มีสำหรับผู้ประกอบอกุศลกรรมหรือความชั่วทั้งปวงเพราะนั้นท่านถลาย บางเรื่องแม้คนไม่เห็นแต่เทพยาดาเจ้าย่อมประจักษ์ผู้มีหูทิพตาทิพย่อมประจักษ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าให้ละเว้นไม่ทำเสียเลยประเสริฐที่สุดเพราะนั้นความดีที่บุคคลจำต้องมี ได้แก่คุณธรรมและความดีที่บุคคลต้องนำมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่แวดวงราชการทั่วไปเรียกร้องต้องการให้เกิดมีขึ้นในหน่วยงานนั้นๆจึงได้จัดให้มีการแสดงธรรมบ้าง ปฏิบัติธรรมบ้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาดังที่ได้กล่าวคุณธรรมหรือจริยธรรมเป็นสิ่งที่เราท่านทลายจำต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่วัด ต้องศึกษาและต้องนำมาปฏิบัติก็เพื่อให้เหมาะแก่กาละแก่สมาคมในปัจจุบันสิ่งที่เราท่านหลายอยู่ในโลกในสังคมจำต้องมีและจำต้องปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้นอกจากความรู้แล้ว ก็ยังต้องมีคุณธรรมอื่นๆประกอบอีกหลายประการเช่นความเห็นนอกจากความเห็นแล้วก็ต้องมีความเป็นนอกจากความเป็นแล้วก็ต้องมีความตรงนอกจากมีความตรงแล้วก็ต้องมีความถูกรวมความว่าความรู้ ความเห็นความเป็นความตรงแล้วก็ความถูกนี่แหละคือสิ่งที่จะพยุงหรือประครับประคองชีวิตของเราท่านทลายให้ได้ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามชีวิตจะได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความก้าวหน้าที่ว่าความรู้นั้น ได้แก่รู้จักรู้จริงแล้วก็รู้แจ้งถามว่ารู้จักอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าหนึ่งต้องรู้จักตนสองรู้จักบุคคลสามรู้จักการสี่รู้จักประมาณและห้ารู้จักสถานการณ์อย่างนี้เป็นต้นที่ว่ารู้จักตน เรียกว่าอัตตัญญุตางได้แก่รู้จักฐานะภาวะว่าตนเป็นอะไรมีฐานะอย่างไรจะได้วางตนได้เหมาะสมพอดีถ้าไม่รู้จักตนก็วางตนผิดพลาดเช่นต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปด้วยอำนาจมานะทิฐิบ้าง ความน้อยเนื้อต่ำใจบ้างโบราณท่านจึงบอกว่าความไม่พอดีนั้นทำให้ชีวิตมีปัญหาดังคำที่ว่าแคบนักมักคับขยับยากกว้างมากไม่มีอะไรจะใส่สมสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาลคำว่านักนักนัก แสดงว่าเป็นส่วนขาดบ้างเป็นส่วนเกินบ้างซึ่งไม่พอดีนั่นเองประการที่สองนอกจากรู้จักตนต้องรู้จักบุคคลที่เรียกว่าปกครองอยุ่ตาเนื่องจากมนุษย์เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องอยู่กันเป็นสังคมสมาคม จำต้องศึกษารู้จักว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้น้อยใครเป็นผู้ใหญ่เป็นครือหัาหรือเป็นบันพชิตเพราะแต่ละฐานะนั้นจาต้องวางตัววางตนประพฤติปฏิบัติตนแตกต่างกันไปตามฐานะภาวะนั้นนั้นประการต่อมารู้จักชุมชนรู้จักสังคม ที่เรียกว่าปริสัญยุตาสังคมของรัฐดรก็อย่างหนึ่งสังคมของราชการก็อย่างหนึ่งสังคมชั้นสูงคือราชสำนักนั่นก็อีกอย่างหนึ่งการรู้จักสังคมทั้งสามระดับจะช่วยให้เราท่านทลายวางตัว ได้เหมาะสมพอดีไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องประการต่อมารู้จักประมาณที่เรียกว่ามัดตันยุตาท่านทหลายมัดตันยุตานีนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้เป็นผู้ที่มีสันโดษคือพอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนเป็นพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่ทะเยอทะยานในสิ่งที่นอกเหนือความเป็นจริงและเป็นไปได้จะทำให้ไม่เกิดความละโมบโลภมากหรือตรากาตรากามที่จะหยิบฉวยบริโภค อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในเรื่องนั้นนั้นรู้จักความพอเหมาะความพอควรประการต่อมารู้จักการคำว่ารู้จักการก็คือรู้จักเวลาที่เรียกว่ากาลันยุตาเวลาไหนควรทำอะไรอะไรที่ควรทำก่อน อะไรที่ควรทำที่หลังอะไรรอก่อนหรืออะไรต้องรีบด่วนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เร็วไปก็ไม่ดีอะไรที่ช้าไปก็ไม่ดีจึงมีภาษิตว่าบางอย่างก็ต้องช้าต้องรู้จักรอเช่นช้าช้าจะได้พระเล่มงาม ดวนได้ด้วยสามผีผาหมักคลิกเพลงนี่คือบางอย่างต้องรู้จักรอแต่บางอย่างต้องรีบถ้าช้าไม่ทันกินทันการเช่นน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นถ้าไม่รีบตักปล่อยให้น้ําลงก็เหลือแต่เลนเหลือแต่โครนไม่ได้ประโยชน์อะไรเหตุนี้ อะไรก็ตามบางอย่างเร็วไปก็จะทำให้ผิดพลาด ช, ช้าไปก็ทำให้บกพร่องไม่ทันกินทันการประการต่อมารู้จักสถานการณ์รู้จักว่าตอนไหนควรปฏิบัติอย่างไรตอนไหนควรตึงตอนไหนควรผ่อน อะไรก็ตามถ้าตึงนักก็มักขาดอุปมาคล้ายๆกับว่าวว่าวที่ขึ้นไปลอยเด่นเป็นสง่าอยู่บนท้องฟ้านั้นถ้าสายตึงเกินไปไม่ผ่อนมันก็ขาดย่อนนักมันก็ตกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญท่านจึงบอกว่า การประพฤติปฏิบัติตนนั้น <c oughs> การรู้จักสถานการณ์ยิ่งในสถานการ์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักไม่อย่างนั้นก็จะต้องตกไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน ประการต่อมานอกจากจะมีความรู้ดังกล่าวแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเห็นคำว่าความเห็นในที่นี้หมายถึงเป็นความเห็นที่ถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่วนที่เห็นผิดนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ เช่นเห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นขี้เป็นแก้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความเห็นที่อันตรายแม้เห็นแล้วมิรสหายที่รักใคร่ก็ยังรังเกียจเช่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่หน้าเห็นแก่ได้ อันเป็นเหตุให้เลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังกลายเป็นบุคคลน้ำใจขาดตราดเป็นที่มาของคำว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งเพราะอยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกประการที่สามความเป็นบุคคลจําต้องรู้ว่าตนเป็นอะไรเป็นคฤหัสน์หรือเป็นบนรรพชิตเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้เยาวเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าหากว่าไม่รู้จักความเป็นแล้วก็ทําให้ วางตัววางตนไม่ถูกต้องบางครั้งก็อ่อนเกินไปบางคราวก็แข็งเกินไปซึ่งไม่ดีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปริภูโตมุทุโหติอติติโคจะเว ร, วระวาแปลว่าอ่อนเกินไปก็จะถูกข่มเหงแข็งเกินไปก็จะถูกรังแกเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าอัถถัญยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุทำมัญยุตาความเป็นผู้รู้จักผลนี่แหละคือสมบัติผู้ดีที่จะทำให้บุคคลวางตัววางตนอยู่ในโลกในสังคมได้อย่างพอเหมาะและพอดีประการที่สามความตรง คำว่าตรงนั้นใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าซื่อที่เรียกว่าซื่อตรงคนซื่อก็คือคนใจไม่คดคนคดก็คือคนใจไม่ซื่อไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าคดแล้วก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยงามทางคดก็ทำให้เสียเวลาและเป็นอันตรายคนคดยิ่งอันตรายกว่านั้น ท่านจึงบอกว่าไม้คตเข้าไปทำขอเหล็กงอเข้าไปทำเคียวแต่ถ้าคนคตอย่างเดียวใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เหตุนี้บุคคลที่เป็นคนไม่คตก็คือคนประพฤติซื่อสัตย์สุจริตคนโบราณจึงสอนลูกสอนหลานว่าซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน แต่มีบางคนเอาไปต่อว่าซื้อกินไม่หมดคอดกินไม่นานแต่ถ้ากินของราชการกินได้นานไม่มีวันหมดอันนี้ก็เป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชั่นช่อราษบางหลวงบางหลวงเอ็คอมมิชชั่นนี่แหละเป็นที่มาของคอร์รัปชั่นในวงราชการทั่วๆไปเพราะนั้นท่านทลาย บางคนหน้าซื่อแต่ว่าใจคดบางคนใจคดแต่ว่าหน้าซื่อบางคนหน้าขาวแต่ใจดำบางคนหน้าดำแต่ใจขาวเพราะฉะนั้นคนที่ น่าซื่อแต่ใจคดได้แก่คนที่ทรยศต่อผู้มีพระคุณคล้ายกับนิทานอีสบเรื่องงูเห่ากับชาวนาฉะนั้นท่านทหลายความตรงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการถามว่าบุคคลควรตรงต่ออะไรและ ตรงแล้วให้คุณอย่างไรข้อนี้องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่บุคคลจะต้องตระหนักและตรงให้ได้เพราะตรงแล้วเกิดคุณเกิดค่าก็คือหนึ่งตรงต่อเวลาข้อนี้สำคัญมาก ตรงต่อเวลาแต่ปัจจุบันนี้เวลาที่จะไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สามพวกพวกที่หนึ่งคือพวกก่อนเวลาพวกที่สองพวกตรงต่อเวลาและพวกที่สามคือพวกตามเวลาก่อนเวลาเป็นบุคคลไม่ประมาทกลัวพลาดกลัวผิดพลาดก็ไปก่อน บางท่านชอบพอดีพอดีก็ตรงต่อเวลาแต่บางท่านเป็นพวกตามเวลาได้แก่เวลาที่กำหนดนัดหมายมันล่วงเลยไปแล้วแล้วค่อยตามมาทีหลังจึงเกิดคำว่าเป็นผู้มาตามเวลาอีกประการหนึ่ง บางคนบางท่านก็ชอบถือคติว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณช้าเป็นการนานเป็นคุณจึงไม่นิยมเร่งรีบอะไรถามว่าที่ช้าอยู่ทั่วไปไม่ค่อยตรงต่อเวลานั้นช้ากันเพราะอะไรอันนี้ก็มีเหตุอยู่หลายประการเช่น ช้าเพราะเหตุการณ์หรือช้าเพราะสถานการณ์เช่นมีอุบัติเหตุหรือติดม็อบอย่างนี้ก็ทำให้การเดินทางล่าช้านอกจากนั้นช้าเพราะงานงานมากงานยุ่งสะสางยังไม่เสร็จบางทีช้าเพราะการจราจรเนื่องจากมี ปัญหาการจราจรรถราคับข้างทำให้รถติดกรุงเทพเรานั้นยวดยานขวักไขยจะไปทางไหนหัวใจกระเศ่ารถติดเป็นแพรแย่แล้วอกเรานัดพบใครเขาผิดนัดทุกทีถนนหนทางทิ้งจะสร้างขยายแต่ว่ารถมากมายมันก็ติดอย่างนี้ อาตมาเคยไปบรรยายในแวดวงผู้บริหารแก้ปัญหาการจราจรบอกว่าปัญหาการจราจรในกรุงเทพปัญหารถติดนี้ไม่มีทางแก้ได้ตราบใดที่พระยังไม่ได้เป็นนายกอันนี้ก็กระส่าวเขาสร้างความหมั่นไส้เป็นนั้นเองเพราะนั้นนอกจากปัญหาการจราจรแล้ว บางครั้งบางอย่างก็เป็นช้าเพราะความตั้งใจคือตั้งใจที่จะให้ช้าบางครั้งช้าเพราะว่าเป็นอุปนิสัยคือช้าตลอดชาติช้าเป็นประจำอันนี้ก็แก้ยากหน่อยสมัยใหม่เรียกว่าเป็นคนเกียรว่างประการต่อมา ความตรงต่อวาจาอันนี้ก็ยิ่งสำคัญบุคคลคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นชื่อว่าเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหะทยัสสะสทธิสีวาจาเป็นบุคคลที่ปากกับใจตรงกัน คือพูดอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างนั้นประการต่อมาการที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นชื่อว่าพฤติกรรมกับคำสอนสอดคล้องต้องกันไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันทำได้ตามที่แนะนำพร่ำสอน บางท่านบางคนสอนอย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติอย่างหนึ่งและก็บอกใครต่อใครว่าให้ทำตามที่ฉันพูดแต่อย่าทำตามที่ฉันทำอันนี้ชื่อว่าคำสอนนั้นไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครเชื่อถือพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตาณเมวะปทมัง ปฏิรูปเอนิเวสเยเป็นอาธิผู้เป็นผู้ใหญ่อย่างหนึ่งเช่นเป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นอาจารย์จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบแผนแบบอย่างและแบบฉบับจะเป็นครูหรือเป็นผู้ใหญ่อย่าเป็นแต่สอนเขา สอนตัวเราเอาไว้ด้วยจะอวยผลเกียรติของครูของผู้ใหญ่นั้นโลกบูชาทั่วสากลเพราะเป็นคนแน ะ, แะนำทำได้จริงผู้ใดมีนิสัยเหมือนเด็กเลี้ยงแกะพูดแล้วไม่มีสัจจะโกหกหลอกลวงก็จะเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีใครเชื่อถือ ประการต่อมาความตรงต่อหน้าที่คนจะดีจะเสียอยู่ที่หน้าที่ดังที่ได้เคยเทศอยู่เป็นประจำว่ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนผู้ใดมีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ก็จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะนั้นตรงต่อหน้าที่ก็คือปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อการได้รับมอบหมายไม่ล่วงล้ำกำั้เกินขอบเขตหน้าที่ของผู้อื่น ปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงเฉพาะที่ตนได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่ทําอะไรล่วงล้ํากัําเกินไม่อยู่ในขอบเขตของตนถ้าเป็นดินแดนระหว่างประเทศเช่นเราข้ามไปในดินแดนของเพื่อนบ้าน อย่างนี้เขาก็เรียกว่าล้ำแดนหรือละเมิดดินแดนเครื่องบินบินเป็นน่านฟ้าไปเข้าเขตประเทศอื่นเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก็เรียกว่าละเมิดน่านฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นทางเรือแม้แต่ชาวประมงที่ไปหาปลาล่วงล้ำไปเขตน่านน้ำของประเทศอื่น เขาก็เรียกว่าละเมิดน้านน้ำก็จะต้องถูกขับไล่หรือบางทีก็เกิดต่อสู้เกิดอันตรายขึ้นมาเพราะการละเมิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดินแดนจะเป็นน้านฟ้าจะเป็นน้านน้ำหรือจะเป็นหน้าที่ถ้าไปล่วงล้ำก้าเกินซึ่งการละกันแล้วมันก็ไม่ดีไม่งามทั้งนั้น เรื่องนี้แม้แต่กีฬาเช่นฟุตบอลถ้าหากว่าไปเกินขอบเขตภาษาฟุตบอลเรียกว่าออบไซต์กรรมการก็เป่าเพราะว่าไปล้ำหน้าเหตุนี้ท่านถลายนอกจากเราจะตรงต่อหน้าที่และยังต้องตรงต่อความดี ความดีทำให้ชีวิตของเรามีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเมื่อมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเพราะความดีเราต้องไม่ทำลายความดีทำดีต่อไปไม่หยุดเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าวัตถุอย่างหนึ่งที่มีคุณค่านำมาทำประโยชน์ได้มากคือดีบุก ดีบุกนี้หมายความว่าอะไรก็ตามถ้าดีแล้วให้บุกเข้าไปอย่าถอยแต่ถ้าหากไม่ดีต้องถอยอย่าไปบุกเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนที่ทําดีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เราทํากันเพื่ออะไรท่านจอมพลปอพิบูรณ์สงคราม และท่านนายควงอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยท่านเคยปากธกถาไว้หน้าคิดบอกว่าที่เราทำดีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทำกันหลายอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยกมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังไม่ใช่เราท่านทั้งหลายจะเป็นอย่างนั้น ท่านบอกว่าที่ทําดีกันอยู่ในปัจจุบันถามว่าทำทําไมบางท่านก็ทําดีเอาหน้าบางคนก็ทําดีเอาตราบางคนก็ทําดีเพื่อโฆษสนาแต่ถ้าเป็นชาวพุทธต้องทําดีเพื่อพึ่งพาคือทําเพื่อเอาบุญดีพนะ์ท่าน นายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามและท่านในควงอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยท่านกล่าวไว้ในการปากฐกถาคราวครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการทำดีไว้ว่าธรรมังสุจริตตังจเรการทำดีนั้นต้องทำดีให้สุจริต คำว่าทำดีให้สุจริตก็คือทำดีเพื่อดีแม้จะเป็นความดีแต่บางท่านบางคนทำดีแล้วดีไปถือกลายเป็นถือดีทำดีแล้วดีไปอวดกลายเป็นอวดดีทำดีแล้วดีไปโชว์กลายเป็นโชว์ดีทั้งที่ดีแท้ๆกลายเป็นไม่ดีไปได้ เพราะฉะนั้นความดีนั้นถ้าน้อยไปก็เรียกว่ายังหย่อนดีถ้ามากไปก็กลายเป็นเกินดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาคือพอดีพอเหมาะพอควรทำดีให้ถูกดีทำดีให้ถึงดีหากไม่พอดีก็จะเข้าลักษณะที่ท่านว่า ทำเร็วเขาก็จะหาว่าล้ำหน้าทำช้าเขาก็หาว่าอ่ดอาดโง่ก็จะถูกตวาดฉลาดก็จะถูกระแวงเพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีพอควรในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างถ้าได้รับความเห็นใจได้รับกำลังใจ บุคคล น, นั้นก็เปรียบประดุดว่าได้เติมเชื้อเพลิงหรือมีพลังขับวิ่งต่อไปได้อีกนานแต่ถ้าหากว่าหมดเชื้อเพลิงหมดพลังหรือหมดแรงอันนี้ก็ทําให้หน้าที่การงานบกพร่องเสียหายหมดแรงยังพอก้าวต่อไปแต่ถ้าหมดกําลังใจก้าวต่อไปไม่เป็น เลยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแต่ละเลยเป็นจังหวะหนึ่งของคนเริ่มหมดใจเพราะฉะนั้นท่านทลายนอกจากเราจะมีความรู้ความเห็นความเป็นดังกล่าวแล้วต้องมีความตรงและสุดท้ายคือมีความถูก คำว่าถูกในที่นี้ถูกที่เป็นคนถูกที่โลกยอมรับคือหนึ่งถูกต้องสองถูกใจสามถูกระเบียบวินัยและถูกกาละเทศะถูกต้องเป็นธรรมมาทิปไตยถูกใจเป็น อัตตาธิปไตยถูกระเบียบวินยัยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมมาธิปไตยถูกการะเทศะอันนี้ทำให้เป็นบุคคลวางตัววางตนได้เหมาะแก่การัสมัยรวมความว่าเราทุกท่านทุกคนจำเป็นจะต้องมี คือมีความรู้มีความรอบรู้มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความมุ่งมั่นมีความเข้าใจและมีความจริงใจถ้ามีความรอบรู้มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความมุ่งมั่น มีความเข้าใจมีความจริงใจและได้กำลังใจอะไรอะไรก็จะไร้ปัญหาไม่มีความรอบรู้ไม่มีความรอบครอบไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเสียสละไม่มีความมุ่งมัน่นไม่มีความเข้าใจไม่มีความจริงใจและขาดกำลังใจอะไรอะไรก็เกิดปัญหาญาติโยมพุทธบริษัท ผูใ้ใจบุญใจกุศลทุกๆท่านอาตามภาพได้เริ่มตน้นถึงบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บําเพ็ญอยู่เป็นประจำว่าให้อะไรชื่อว่าให้อายุให้อะไรชื่อว่าให้กําลังให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้วันณนะให้อะไรชื่อว่า ให้ความเป็นผู้มีอายุวัฒนาสถาพรและได้ชี้แจงแสดงถึงการดำเนินชีวิตการปฏิบัติกิจการงานเพื่อให้เกิดความดีความงามไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรบกพร่องดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาทุกๆประการ ในนามของคณะสงฆ์วัดปริระวงสาวาทอันมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะภาคสองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าวาดวัดปริระวงสาวาทเป็นประธานพร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ที่ได้มาประชุมนำท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ทำวัดเช้าในวันนี้ซึ่งประกอบด้วยท่านพระครูวิบูลศาสนกิจจาทนท่านพระครูสุทธิปริยติยาทนท่านพระครูใบดีกากิติเป็นต้นตลอดถึงภิกษุสมณีทุกรูปขอชื่นชมอนุโมท น, นายินดี ต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกๆท่านที่ได้เสียสละโอกาสและเวลามาบำเพ็ญกิจหน้าที่ของชาวพุทธเป็นผู้มันกระทาบุญคุณพระศาสนาและรักษาความดีความความงามของตนของตนไว้ขออนุภาพแห่งพลพระศรีรัตนตรยัย คือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพปุญญานุภาพและเทวานุภาพจงได้โดนบันดาลประทานพรให้้องพุทธบริษัทยาิโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาประชุมกันนที่นี้จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศสนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชนี